ซึ่งพระองค์สามารถที่จะเลือกอปรินิพานในเมืองต่างๆเช่นเมืองราชครึกภัยสาลีเป็นต้นดังเช่นที่พระนลกราบทูนซึ่งพระองค์ก็มีเหตุผลหลักๆอยู่สาประการนั่นะที่พระองค์เสด็จมาดับขันปรินิพานที่กรุงกุสินาราเหตุผลแรกนั่นนะที่สาคัญและจาเป็นเลยก็คือเพื่อจะแสดงมหาสุทัศนสูตรนี่นนะ ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้ผลแห่งกุศลมูลนะรู้บุญรู้ผลแห่งบุญรู้ความเจริญนนะรู้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเจริญซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงมหาสุทัศนสูตรแล้วก็ตอนท้ายพระองค์ก็ยังประกาศถึงความที่สังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยั่งยืนนนะประกาศถึงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอย่างเมืองกุสาวดีเนี่ยนะ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 ที่เกิดทันพระพุทธเจ้าหมายคือว่าได้บวชเฉพาะพระภาคของพระองค์แล้วก็ตรัสรู้ น, นะตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่เป็นสาวกองค์สุดท้ายว่า ง, งั้นเถอะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ในเรื่องโสพัทธปริภาชกเนี่ยนะข้อหนึกล่าวว่าสมัยนั้นโสพัทธปริภาชกอาศัยอยู่ในเมืองกุสินารา สุภัทปรริพาชกนั้นได้ฟังมาว่าพระสมณะโคโดมนั้นจักปรินิพานในปัชิมยามแห่งราตรีวันนี้หนมายควาว่าวันนี้ใกล้รุ่งอรุณนั้นพระผู้มีพระภาคจะปรินิพานลำดับนั้นสุภัทปรริพาชกได้มีความดํ่ริว่าเราได้ฟังคํานั้นของพวกปริพาชกผู้แก่เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์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 เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจากปรินิพานในคืนนี้อันหนึ่งธรรมะอันเป็นที่สงสยัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เราก็มีอยู่เรานั้นเลื่อมใสในพระสมณโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมย่อมสามารถเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราที่เราจะเพลงละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนี้ได้หมายคือว่าสงสัยมานานแล้ว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 อ้างว่าเออไม่ยังไม่ได้เวลาที่สมควรที่จะศึกษาคำสอนก็อย่างเนียกรณีของสุภัททะปริภาชคเนั่แหละเกิดพระพุทธเจ้าจะาปรินิพานนี่แหละพึ่งนึกได้เนี่ยนะพ่งนึกอยากจะไปเฝ้าอันหลายคนเนี่ยถ้ามีโอกาสคล้ายๆกับสุภัททะปริภาชกก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแต่ถ้าไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยก็เป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยนะกวว่าพอมีดวงตาจะมองเห็นแสงได้ พอดีดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วทำอะไรได้กันเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสุภัธาปรริภาชคนั้นมีว่าเป็นผู้ที่บวชนุ่งหม่มนะนะเป็นนักบวชผู้นุ่งหม่มท่านบอกว่าเกิดในตระกูลอุทิจพราหมณมหาศาลออกบวชจากตระกูลที่ร่ำรวยมากเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นชายหนุ่มผู้สแสวงหาความรู้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 ในอดีตชาตินะ่ะนะเป็นพี่น้องสองคนพี่น้องสองคนเนี่ยก็ทํานาร่วมกันนะก็เรียกว่าเป็นไม่ได้แบ่งนานะเมื่อไม่แบ่งนาก็ทํานาด้วยการทํานาร่วมกันระหว่างพี่กับน้องพี่ชายนั้นเนี่ยนะเกิดมีศรัทธาปรารถนาจะถวายข้าวอ่ะถวายอาหารชั้นเลิศหรือปรารถนาที่จะทําบุญชั้นเลิศแด่พระพุทธเจ้า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 แม่ข้าวกล้ามันก็เสียหายน้องก็บอกว่าไม่ยอมที่ชายก็รู้ว่ายังไงน้องชายก็ไม่ยอมก็เลยแบ่งนากันคนละครึ่งเนี่ยนะแบ่งนาพีก็เลยแบ่งผ่าท้องแล้วเอาเอาอผ่าท้องรวงข้าวเนี่ยนะเอาน้ํานมข้าวเนะี่ยมาหงต้มผสมด้วยเนยใส่และน้ำํำอ้อยเป็นต้นก็ทําบุญพุทธบูชาไปนะนะก็ทําบุญแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก หลังจากนั้นก็เป็นข้าวที่เรียกว่าเริ่มสุกใหม่ๆเขาเอาไปทำเป็นข้าวเม้าได้พี่ชายก็ปรุงเอาอาหารนั้นมาทำเป็นข้าวเม้าถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเวลาที่เกี่ยวตอนที่เกี่ยวข้าวก็อ่นนะช่วงนั้นก็ทำบุญอีกแล้วตอนที่เอามัดเป็นฟ่อนเนี่ยมัดคะแนก็คือมัดเป็นฟอนก็ทำบุญอีก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 ปัญไอความที่ที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเร็วและก็ไวไอคําว่าเร็วเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างถ้าทําบาปควรช้าดีที่สุดถ้าจะทําบุญทําให้เร็วเนี่ยนะถ้าจะทำะถ้าจะทําบาปเนี่ยนะช้าเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีปัญบาปอย่ากล้าอย่าเร็วยิ่งช้าเท่าไหร่ ย, ยิง่งอ้อยอิงยิ่งเรียกว่ายิ่งทวงเวลาเท่าไหร่ ย, ยิง่งเป็นผลดีเท่านั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เสียหายทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายภพตรงกันข้ามฝ่ายบุญถ้ารีบทำได้ก็ต้องรีบทำเนยนะนันฝ่ายพี่ชายเนี่ยไอความที่เป็นผู้ที่ไม่ประมาททาบุญก็เป็นผู้ที่ได้ตรัสนะเป็นคนที่รู้เหตุการ์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ท่านประสูตรเป็นต้นมาท่านรู้เลยนะว่าเออเนี่ยผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็อดใจรอถึงกับบวชตามในที่สุดก็ได้ เห็นอริยสัย์ก่อนเพื่อนจริงๆเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าตื่นตัวที่สุดในบรรดาผู้ที่ตื่นตัวนะในหมู่มนุษย์คนที่ตื่นตัวถึงว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระอัญญากนธัญะญชื่อว่าตื่นตัวกว่าเพื่อนตื่นตัวกว่าคนอื่นทั้งหมดนี่ฝ่ายน้องชายล่ะน้องชายเนี่ยคิดช้า น, นั่นแหละเมื่อประสบความสำเร็จทุกอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์พูนสุขนั่นแหละค่อยทาบุญ นะซึ่งต่างจากพี่ชายพี่ชายบอกว่าทาบุญก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยว่าอีกทีคือคืออัธยาสายเขาน้อมไปเพื่อทําบุญเนี่ยนะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้ค่อยบริโภคถ้าเปรียบเหมือนชาวโลกสมัยนี้ก็คือว่าพวกนี้เน้นการลงทุนนะเน้นการลงทุนอาจจะเก็บหอมรอมริบอ ด, อ ด, อดๆอย่าง ก, ก็ไม่เป็นไร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 ถ้าหากว่ามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่ทำและผลแห่งการกระทาหมายคก็ว่ารู้ผลแห่งทารู้จากการให้ทานในานาที่ดีและรู้จากผลแห่งการให้ทานในเนื้อนาที่ดี